พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าลงบุญเสาเข็มวันนี้มีหลายเรื่องจะได้บอกกล่าวให้พวกเราลูกหลาน ศรัทธาญาติโยมในกลุ่มของเราได้รับรู้รับทราบอันอันดับแรกองเรื่องเสาเข็มก็แล้วกันนะเพราะมันเสาเข็มมันจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่พวกเราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือวัดของเราก็กําลังคํากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอยู่ว่าเราจะได้ช่วยเสาเข็มเจดี พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่เงินที่เราประวัลนาวไว้ห้าสิบล้านอันนั้นเราจะลงในพิพิธภัณฑ์หอว่าพระเจดีอ่าสิบล้านเราเรายังไม่แตะทำไมจำเป็นจริงเราจะนี่แหละเราจะรวบรวมทุนเพื่อเสาเข็มเพราะบัญชีนี่เป็นบัญชีชเสาเข็มขององค์หลวงตานะ เปิดบัญชีไว้เฉพาะเพราะมันเป็นจุดลูกศิษย์ลูกหาจะต้องรวมกันเพื่อตอกเสาเข็มเป็นด่านแรกต่อเมื่อเมื่อแต่ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วจึงค่อยหาบริษัทมารับเหมามันจะไม่ขาดกันเหรออันนี้เราปรึกษากันแล้วเพาะหลายๆแห่งทุกวันในทางกรุงเทพทางที่ไหนไหน ก็ต้องตอกเสาเข็มไว้ทั้งนั้นแหละการตอกใสเสาเข็มก็คือทําตามหลักวิชาการเหมือนกันอยู่แล้วเพื่อจะให้ผู้รับเหมามาช่วงต่อก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าหลักวิชาการอันเดียวกันและก็พร้อมกันก็เราตรวจสอบได้ว่าเสาเข็มรือมันชดเฉพาะอะไรเพราะเสาเข็มเราพูดถึงเรือเร่องอาคารทําคาญไม่แข็งแรง ทุกวันเาตรวจสอบใดทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพวกคณะกรรมการก็เลยจะตอกลงเสาเข็มก่อนนะเสาเข็มเนี่ยราคามก็แพงเพราะช้งควรอยู่แต่ตามไม่จริงของดีราคาถูกพวกเราไปหาดูสิถ้าก้อนหินเออราคาถูกถ้าเป็นเพชรละมันจะให้ถูกเหมือนก้อนหินมันก็ไม่ได้แหละเพราะมันเพชรมันก็คือเพชร หินก็คือหินนี่ก็เหมือนกันมันมีหลกักกรรมวิชาการการ ก, การะทาเราจะให้อยู่เป็นพันปีเราจะใช้แบบเสาเข็มธรรมดาก็ไม่ได้ลงต้องใช้เสาเข็มแบบพิเศษที่แข็งแรงตามมาตรฐานเกินมาตรฐานของ เ, ออเสาเข็มกรมทางหลวงพ อ, อพูดอย่างนั้น เพราะว่ามันมีเสาเข็มของเรานี่กันกันไม่ให้เกลือกัดเหล็กด้วยอะไรฟอนเฟดฟอนฟัดอะไรทั้งพอ่อไม่รู้ล่ะสารตอนนี้เข้าไปอีก เ, อเพื่อไม่ให้เกลือเข้าไปกัดปูนแม้กัดเหล็กที่อยู่ข้างในเพราะเมืองอุดรเป็ น, เ, ปนเมืองโปแตต์โปแตตก็คือเมืองเกลือนะอยู่ใต้ดิน เพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันถ้าหากว่าเกลือเข้าไปกัดเหล็กเจดี JD ไม่ใช่มันจะหนักไม่ใช่มันจะเบาไปข้างหน้านะมันหนักอยู่ตลอดเวลานะ่ะหนักเท่าไหร่มันก็นหนักเท่านั้นถ้าเกลือเข้าไปกัดเหล็กข้างในเหล็กมันหมดสภาพเจดี JD ของเราก็พร้อมที่จะสุดได้เพราะนั้นท่านเขาจึงเตรียมพร้อมอีกจุดนี้อีกเหมือนกันไม่ให้เกลือเข้าไปกัดเหล็ก ปูนก็ต้องปูนพิเศษเหล็กตัวนี้ก็ต้องเหล็กพิเศษแล้วก็ความแข็งแกร่งของูบซิเมนผสมให้มันเหนือกว่ามาตรฐานเพื่อจะให้อยู่ได้นานเป็นพันปีอันนี้เขาก็คิดหมดทั้งหมดนะทั้งวิศวะของเขานะรวมหัวกันคิดจนหัวหมุนเหมือนกันหัวจะแตกเหมือนกันนะหาผู้รับเหมาหาบริษัทรับเหมา หลวงพ่อว่าได้บริษัททักสินนะี่แหละหลวงพ่อก็จําไม่ได้ไม่ชัดบริษัททักสินเสาเข็มเป็นบริษัทจํากัดอีกต่างหากนะไม่ใช่ไม่ใช่เอกชนทํากาวเละการาดอีกต่างหากมาตรฐานแล้วก็ตอกทั้งตอกชกทั้งค่าตอกทั้งอะไรด้วยทั้งภาษีด้วยทั้งรวมหมดทุกอย่างนยะตอนหนึ่งรวมหมดทุกอย่างประมาณ ไม่ใช่ประมาณสองม่สองหมืนแปดิ 5, บาทอันนี้รวมทั้งค่าภาษีทั้งค่าต่อค่าอะไรด้วยแต่ถ้าคิดเป็นต้นต้นละสองมื่นสองมืนพบาทต่นหนึ่งต้นความยาวของเสาเข็มยีม่สิบเอ็ดเมตรขนาดกว้างของเสาเข็ม ตั้งสีด้านสามสิบห้าคูณสามสิบห้านี่แหละอันนี้คื อ, คอเสาเข็มของลงตายจะลงมือจะตอกวันที่สามสิบเนี่นะเขาจะเซ็นสัญญากันแล้วหลวงพ่อก็สืบสอบได้จะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมแต่พูดที่จะโอนเงินหลวงพ่อก็ถามบัญชีหลวงพ่อ ทางวัดป่าบ้านตาดมาอีกเหมือนกันเพื่อจะให้แจ้งข่าวให้คณะสัทธาญาติจมกลุ่มของเราเนี่ได้รับรู้รรทราบจะโอนเขาไปให้บัญชีเสาเข็มของหลวงตาไอ้ของท่านงพ่อสุดใจเลยก็ได้หรือจะเอาเข้ามาถวายมาถวายเข้าบัญชีหรือว่าเข้า ศรัทธาจะโยมที่อยู่ใกล้ถวายปัจจัยมาหลวงพ่อก็จะเอาเข้าเป็นบัญชีนั้นเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าว่าผู้ที่รู้จักบัญชีนะเอาเข้าบัญชีของหลวงพ่อสุดใจจะดีกว่าตรงกว่าแต่พวกเราผู้เฒ่าผู้กแกทั้งหลายอยากจะทําหมูดุดนบุญอยู่แต่ไม่รู้จักธนาคารนะเกอเออเอามาเอามาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะรวมกันแล้วก็จะไปมอบให้โอนไปให้หลวงพ่อสุดใจอีกทีนึง จะเท้าผู้รู้เรื่องของบัญชีดีก็โอนเข้าไปเลยแต่ผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลายเห็นหลวงพ่ออยู่เนี่ยออกมาถวายหลวงพ่อกระโปงนี่ดิฉันขนนอย่ขาขนนอยที่ทาบุญเกีย่ยวกับเสาเข็มหลงตาเดอ้อเขียนใส่กระดาษมาเขียนใส่ซองมาหลวงพ่อก็จะรวบรวมเข้าไปแล้วก็จะไปโอนเข้าบัญชีนี่แหละบัญชีเสาเข็ม ชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีโดยหลวงพ่อสุดใจทันตะมะโนธนาคารไทยพาณิชสาขาถนนทหารจังหวัอดอุรณธานีเลขบัญชี721 2สองหนึ่งสองเจ 629ขีด 9, 9อันนี้ก็คือบัญชีอ่านรอบสองอกอกวาดนะเพื่อจะให้ลูกหลานจำไว้เพื่อจะได้โอนเข้าบัญชีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาได้ง่ายไม่ได้ว่าการมากน้อยนะแต่ควรจะมีส่วนร่วมทำผู้มีศรัทธาก็พร้อมที่จะ เอาคนละต้นสองต้นก่นลูกมีสี่คนพ่อแม่ลูกสี่คนเอาพวกเราเอาคนละต้นละต้นกันนะ เ, เพื่อไปยืนปนมมืออยู่ข้างฐานพระเจดีย์ของหลวงตาให้หลวงตาอยู่บนศีรษะของพวกเร า, เามีแต่ศีลมีแต่ธรรมหลวงตานะพวกเรายืนปนมมืออยู่ใต้ฐานพระเจดีย์หลวงต า, นะาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกหรือปู่ย่าตายายก็ได้เอาคนละต้นละต้นกัน หรือ ม, มากกว่า น, นั้นก็ได้ hey, คนละห้าต้นส0ต้น hey, แต่เราต้ น, ตนละ25งหนกันแล้วกันนะ่ hey, ส่วนปลายของมันก็คงผู้ที่ท hey, าลายจ้อยกระจิบกระจ้อยก็กย hey, คงจะทำไปห hey, 5,680 ดิบาทอันนี้คือ hey, hey. ปลายปลายของมันพันกว่าบาทพันกว่าบาท อันนั้นก็คงจะเป็นค่าต่อค่าภาษีแต่พวกเราได้สองหมื่นห้านี่ก็พอแล้วล่ะตนหนึ่งนะแล้วก็โอนเข้าบัญชีของหลวงพ่อสุดใจเลยบัญชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีโดยหลวงพ่อสุดใจธันตะมโนธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหารอุดรธานีชื่อเลขเลขบัญชีชื่อชื่อเลขบัญชีเจ1 2สองหนึ่งสองสาเจดสองขีด9อันนี้ก็คือสนักการศาสาญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะผู้ที่มีศรัทธาที่จะ รวมสร้างพระเจดีขององค์หลวงตาแต่ถึงยังไงควรจะบูชาพระคุณหลวงตาเพราะหลวงตามีคุณอุปการต่อพวกเราหลวงตาหาทองคําเข้าครังหลวงเท่าไราและวก็ดอนล่าด้วยถ้าทาคุณประโยชน์ตั้งโรงพยาบาลโรงเรียนด้วยลูกหลานทั้งหลายหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอตาเมืองอุดรที่หมอเขาตาหมอตาก็ตรวจให้ในเครื่องมือหลวงตาทางร้าน เ, เกือบจะว่าร้อยทั้งร้อยเครื่องมือหลวงตาที่ตรวจตาพวกตาพวกเราได้ตาสว่างกับพราะหลวงตาบัด น, นี้โค้งสุดท้ายของหลวงตาพวกเราจะเฉยเมยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ไม่ให้หนักใจอีกเหมือนกันการทําบุญทําทานไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่เราจะทุ่มเททั้งหมดหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรพ่อเรามีลูกพี่ พ่อมีแม่มีความรับผิดชอบแต่ขี้ตะนีทีเหนียวจงไม่รู้จักทําบุญทําทานอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยอีกเหมือนกันเออมันห่วงไว้ทำไมเออตายเราไปด้วยไม่ได้สักอย่างทำไมต้องแบ่งสิแบ่งกินแบ่งทานนะนะอันนั้นจะเจริญนะลูกหลานนะเพราะว่าการทําทานเพื่ออนาคตฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาฝากฝังไว้กับองค์หลวงตา เออเราเสาทำเสาเข็มเลยเรายืนปน ม, มอยู่มืออยู่ใต้ฐานพระเจดีย์หลวงตาเอ่อหลวงตาอยู่ข้างบนพวกเราเจังยังไงเร า, เราไปกราบลงเราไปหาหลวงตาแล้วก็กราบหลวงตาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอออันนี้หลวงตาัเป็นผู้มีอุปกราระคุณสอนศีลสอนทําให้กับพวกเรานี่แหละไทยช่วยๆกันนะคนละไม้คนละมือโอนเข้ามาในบัญชีนี่แหละบัญชีของหลวงพ่อจดใจนี่แหละ ลงพ่อก็ดูๆเจ้าก่อนดูบัญชีของลงพ่อจก่อนเลี้ยงจะเรียนให้ทราบทีหลังจะบอกให้หยัดโยมของเรากลุ่มของเราทราบทีหลังแค่กี่อีกไม่กี่วันนี่แหละเร็วๆนี่แหละเพราะต้องการเร็วต้องการแต่อันดับแรกบริษัทเขาจะมาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาก็ขอประมาณเจดล้านส0เปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทแ่ทั้ง ลูกศิษย์ลูกหาคณะกรรมการก็ได้ต่อรองลงมาโอ้เกินไปมากพราะก็ใกล้ๆกันเห็นกันอยู่บริษัทวัดไม่ไปไหนขอย0เอร์ซ็นเะก็คงจะ 20% สเอร์ซคงจะประมาณห้าล้านกว่าค่าเ ส, สัญญาในเสาเข็มเนี่ยแต่เ ส, สัญญาแล้วเป็นยังไงเงินก่อนนี้ในในเมื่อว่าเขาบอกว่า เสาเข็มงวดนี้ตอกร้อยต้นรับสองล้านบาทเขาก็หักยี่สิบยสเอร์ซนจากนี่แหละจากที่เราให้ไปที่เซ็นสัญญาไปห้าล้านเนี่ยยี่สยี่สเอร์ยิเอร์เไปเรื่อยละ่ะจนครบนี่แหละอันนี้ก็คือมันไม่หายไปไหนหรอกเงินที่เซ็นสัญญานะแต่ว่าเขาก็เพื่อความมั่นใจในการทำงานของเขา อันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเขาทํากันอย่างงั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะ ถ, าถ้ามีความข้องใจก็ถามไปทางคณะกร ร, กรมการได้แต่ลุงพ่อเองก็มั่นใจว่าใครจะมาเอาผลกําไรจากเจดีย์หลวงตาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดอกล้าที่จะเอากินเศษกินเดนกินเศษกินเลยจากองค์หลวงตาเนี่ย หลวงพ่อว่านรกหลุมลึกพอสมควรนะไปนั้นพวกเราทำด้วยศรัทธามีศรัทธาจะทำทาให้ดีที่สุดเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานี่แหละหลวงพ่อเองมั่นใจอย่างนั้นลูกจิตลูกหาน้องลุงของหลวงพ่อลูกหลานของหลวงพ่อศรัทธาญาติโยมลูกจิตลูกหาองค์หลวงตาทุกคนคงจะมีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน น้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเมื่อสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์จบลงแล้วนะสูงต่างนานพวกเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานเหมือนกับคนโบราณเขาสร้างพระาธาตุพนมนะครพระโถมนะครศรีธรรมราชดอยสุเทพเสียงใหม่ลักษาอย่างนั้นแหลในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก่อนอถึงจะไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดก็าตามล้วก็ยังภาคภูมิใจเออในชาติหนึ่ง ข้าไปเจ้าได้ไปสร้างพระเจดีย์ถวายพระอรหันต์องค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาตินะลูกหลานแต่ก็เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อออกไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ อ, 13. ออกไปวันที่สิบสามออกไปวันที่สิบสามไปเทศบาลบ้านตาก เขานิมน์พระไปทำบุญแล้วก็เป็นการถวายพระราชสุขุศลต่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำบุญเทศบาลประจำปีของเขาด้วยหลวงพ่อก็ได้มอบรถอาจารย์เจริญที่สวนแสงธรรมเขาถวายรถมาคันหนึ่งลถซีออลวีโอ้ยังอยู่ในสภาพดีมากเขาก็เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหมดกำว่ า, าจะขึ้นมาวัดเราอีกนะ คุณเล็กท่านบอกว่าพอเตรียมรถมาจะขึ้นมากราบครูบาอาจารย์ทางอีสานอีสักรอบหนึ่งท่านก็เลยเตรียมอุปเตรียมรถให้ดีดีที่สุดเพื่อจะเดินทางไกลพอจากนั้นมาท่านก็ไปตรวจสุขภาพเพราะท่านเป็นมะเร็งระยะที่สี่นะเออก็ทําให้สุขภาพอาจารย์ไม่ดีเลยท่านก็นว่าชราใจไปท่านท่านพูดกับหลวงพ่อนะชรลาใจไปท่านอาจารย์ผมเออเป็นไปตรวจหมออย่างละเอียด แม่ก็ตายมะเร็งพี่ชายก็ตายมะเร็งแต่ผมก็เลยไปตรวจสุขภาพเป็นไวรัสบีพอโตมาผมก็เลยม า, มานี่หละท่านเป็นไม่นานท่านก็เลยได้มาณะะไปท่านก็สั่งเสียลูกนะถ้าหากว่าตายแล้วไปสวดกุศลาเสร็จแล้วให้เผาเลยนะเออก็คกดถ่าเผาเลยโอ้เด็ดเดี่ยวจริงเนี่ยหลวงพ่ออืมเนี่ยไม่ต้องคิด ให้หลำบากผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อเผาเพื่อมาติกาเสร็จประมาณสองสามทุมแล้วก็เอาเข้าเมนเลยเผาเลยอาจารย์เจริญอเป็นลูกศิษย์กรรมฐานลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ออืหลวงพ่อได้ยินแล้วก็อดีอไม่ต้องเป็นภาระกับใครนี่แหละหลวงพ่อก็ไปบันณฑ์ก็ได้มอบรถของอาจารย์เจริญท่าน อาจารย์เล็กเป็นภรรยาทั้งก็มอบให้หลวงพอ่อแท้แต่หลวงพ่อจะออกไปใช้ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้มอบให้หลวงพอ่อหลวงพ่อจะใช้เองก็ได้หลักษณะอย่างนั้นแ่ะหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้ววิทยุเสียงธรรมมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมนะยังไม่มีรถทั้งที่ตั้งมโนมนานแต่หลวงพ่อก็ออกมาแล้วล่ะออกมาจาก กรรมการวิทยุเสียงธรรมระดับแต่จึงยังไงก็เป็นห่วงอยู่เพราะมันเป็นของสมบัติของหลวงตาหนะลวงพ่อก็เลยมอบรถคันนี้ให้กับคณะกรรมการแต่ก่อนที่จะมอบให้หลวงพ่อก็มอบให้ชาวบ้านนะแต่ทั้งชาวบ้านทั้งเทศบาลด้วยให้เป็นให้เป็นผู้มอบให้กับโบสถนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็ได้มอบให้ละ วันที่สิบสามก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์หน้ะพอวันที่สิบสี่หลวงพ่อไปพักอยู่ที่วัดรวมธรรมวันที่สิบสี่ไปพ่นันไปพระราชทานเพลิงศพเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเน่ที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าไปโรงพยาบาลหนองหาน คือโรงพยาบาลน้องหารเขาสร้างตึกขึ้นมาแล้วเป็นหนี้สินเนะี่ยหลวงพ่อวันนี้สินของโรงพยาบาลเป็นของรัฐบาลด้วยก็คงจะหนักใจเพราะอขนาดใจกับคณะแพทย์คณะหมอหลวงพ่อก็เลยเอา้าตัดสินใจไปพอตัดสินใจไปก็ไปหาทุนให้โรงพยาบาลอาแล้วก็ได้ปัจจัยทั้งหมดเจ็ดล้านกว่าอยู่นะ ที่แรกเขาต้องการประมาณสี่ล้านนะเป็นหนี้สินอยู่สี่ล้านถ้าเป็นค่าริบอีกประมาณล้านกว่านะก็จะเป็นที่พอใจนะแต่น่มันได้เกินเลยแหละได้ประมาณเจ็ดล้านกว่าหนะลวงพ่อเออาหมานะให้คณะกรรมา ก, การดูแลเนอะนี่แหละนี่แหละลืงหลวงพ่อออกไปวันสองสามวันในลูกลานเลยแต่ไปก็ไปรับ ไปรับวัดออกมาด้วยชนิสรุปแล้วก็คือสุขภาพกองหลวงพอ่อมันแก่ไปเรื่อยนะมันต้องอาศัยการพักผ่อนในะเมื่อไปพักผ่อนมันก็เนะี่สิ่งที่มันตามมา ก, ก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะพอมาเมื่อวานก็ทั้งวันอีกเหมือนกันพอเป็นวันครูพอตอนเที่ยงก็กอสอนอมาเอกนะเลยมาลุมมาตุ้มกัน มากทีเดียวเลย <c oughs> นี่แหละเหมือนกับรถของเราโคโลกโกุโซอรถโคโลกโกุโซอไม่ได้อไม่ได้ซ่อมไม่ได้อยกเครื่องออมีแต่ใช้ไปเรื่อยนะ่ะมันก็ไปไม่ไหวอีกเหมือนกันนะลูกหลานสุขภาพของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็ระวังระวังเหมือนกัน แต่รักวังจะรักษามันมากเกินไปไม่ได้มันต้องใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างสิวะแหม่จะรักษามันจ น, มจนไม่ทํางานเฉยๆมันก็ไม่ได้ออแต่ถ้าทาทํางานเกินไปก็ชักจะเกินไปแต่หลวงพ่อก็มองมอ ง, มองดูมันกันนะลูกหลานนะอแต่ถึงยังไงก็ถึงเขาพักหลวงพ่อก็พักให้มันอยู่แต่ถึงเขาวควรจะใช้ก็ควรจะใช้มันอีกเหมือนกันนะะั่นแหละแหมไม่ใช่วจะเข้าอู่ตลอดมันจะเกิดประโยชน์อะไรรถเข้าอู่ตลอดใช่ไหมละ่ะ ถ้าเอามาใช้ตลอดตะพึ่ดตะเพอไปรถที่มันโคลโลโกโซอยู่แล้วก็เหมือนกับเจ้าของไม่รู้จักประมาณอีกเหมือนกันนะเจ้าของรถไม่ไม่รู้จักประมาณตนขนาดรถมันจะพังอยู่แล้วก็ยังไปคลิปขับไปตนหลุมกระโดดหลุมกระโดดบออยู่ก็แสดงว่าเจ้าของนี่ก็งโง่อีกเหมือนกันนะทนายทน้อมจนว่าเอาเข้าแต่ในิอู่ตลอดจนไม่เอามาใช้เลย มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันก็นโง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันทนุนถลอมเกินไปเพราะนั้นเราก็ต้องใช้มันบ้างใช้มันบ้างเอาเผาเข้าอูบ้างฮตามการอันควรสุขภาพหลวงพอ่อกลักษณะด้านลูกหลานสธาญาติโยมประคองประคองไปจนถึงวันชิ้นสุดะลวงพอนะ่อเนี่ยรักษาสุขภาพในหนะลวงพอ่อเออหลวงพ่อกระชันทุกวันดื่มน้ํำให้มัน นอนให้มันอีกต่างหากเอแต่รักษาขนาดนี้มันยังไม่ไหวจะก็ทิ้งมันเลยตัวพาลาหาเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นพระหนักเออตายไปซะทิ้งไปซะใครจะไม่ตายวใครจะไม่ทิ้งวะอใครจะไม่ทิ้งร่างกายมีไหมในโลกเนี่ยทิ้งมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่แสนกี่ร้อยร้อยล้านมาแล้วทิ้งร่างกายเราจะไม่ทิ้งเหรอ เราก็คนหนึ่งเหมือนกันจะต้องทิ้งแน่นอนไม่ต้องสงสัยวันนั้นให้พวกเราทั้งหลายนะพงพอพูดทางนี้ทางนั้นเตือนพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลสิ่งไหนควรจะคว้าเป็นบุญไปกุลกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเรารีบคว้ารีบหารีบทําสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ ทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทาด้วยความโง่ทําด้วยปัญญารอบคอบซะก่อนจะใช้ปัญญาก็ใช้ไปในทางสัมมาทิฐิไม่ใช่เป็นสิทธิพิชัยทิฐิปัญญาตัวเองมิจฉาทิฏฐิคัดค้านนั่นคัดขวางนี่เขาจะทําสร้างกุญงามความดีเหมือนกับพยามาลพระพุทธเจ้าจะได้ตัสรู้ควางนั้นขวางนี่้พยามาลก็เป็นพยามาลอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว นี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะการจะทําสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีคิดให้ดีแล้วทำลงไปเลยสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็จะเข้ามาสู่จิตใจของคนผู้สร้างนั่นแหละพญามารผู้ไม่สร้างก็ไม่เป็นไรเจดีขององค์หลวงตาก็เหมือนกันถ้าไม่มีศรัทธาจะมาขวางหนีไปแห่งห่างห่างไกลๆหลับตาอยู่เลยไปหายอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามูผู้มีศรัทธาเออเออกมาเข้ามาลูกหลานทุกคน คนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันเลยเมีศรัทธาเข้ามาร่วมกันสร้างพระเจดีย์หลวงตาเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วเนะี่ยจะเป็นสงงาลาศีต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อกลุ่มของเราต่อกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของเราหลวงพ่อเองทั้งด้านวัตถุหลวงพ่อก็ไม่เคยลดละการปฏิบัติบูบชาองค์หลวงตาปฏิบัติบูบชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อเองก็ไม่เคยลดละ เอาไปทั้งสองอย่างคดีโลกและคดีธรรมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาเทเถิดหลวงพ่อยึดคำนี้ตลอดนะคณะาทายาทโยมลูกหลานตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาใหพรรับนะพรนะนั่นนะ